ทำความสงบโดยอย่าให้เันเพนท่านร่างกายก็ไม่ต้องเพนท่านไม่ต้องสัดต้องสายไปไหนวาจาก็ไม่ต้องพูดไม่ต้องเอ่ยไม่ต้องพูดอะไรทั้งสิ้นนี่ก็เป็นการไม่เพนผ่านทางวาจาจิตใจไม่ให้เพนผ่านโดยเราคิดว่า ขณะ น, นี้ที่สำคัญที่สุดก็คือเราเราจะต้องกลับมาอยู่ในนี้เอาใจกลับมาอยู่ในนี้ในตัวของเรานี่แหละให้ถือว่าที่นี่ขณะนี้สำคัญที่สุดเรื่องอะไรอื่นๆทั้งนอกทั้งหมดไม่ว่าเรื่องอะไรทั้งนั้นยังไม่สำคัญ สำคัญที่สุดก็คือเราจะรักษาใจของเราไว้ตรงนี้ซะก่อนอนั้นก็หมายความว่าเรื่องต่างๆนอกที่เรานิดว่ามันสําคัญต่างๆนั้นนะ่ะจะเป็นเรื่องจะเรารัเราชังหรือมีเรื่องอะไรที่ข้องคาใจทั้งหลายอยู่ทั้งหมดนั้นมันเป็นเรื่องข้างนอกเรื่องภายนอกทั้งนั้นเรื่องเหล่านั้นในขณะนี้ไม่สําคัญไม่สําคัญหรอกจริงจ้ วางเยอะอย่างน้อยที่สุดประวางไปในช่วงระยะที่เรากำลังทำความสงบนี่แหละอันนี้เป็นเวลาของเราสำคัญที่สุดคือเราคือจิตตัวพระเอกก็คือคือจิตคือใจเรานี้ไม่ใช่ที่อื่นให้จิตอย่างนี้จึงจะเห็นว่าเรามีความสาคัญความสงบจึงมีความสาคัญ จิต ใ, ใจที่ไม่เที่ยวส่งไปเห็นเรื่องอื่นดีอะไรอื่นดีข้างนอกนะอันนั่นแหละมันจะเป็นความสงบมันจะเป็นความระงับเรเรียกว่าภาวนาทําให้เกิดให้มีขึ้นก็คือให้ความสงบเกิดมีขึ้นกายน่ะสงบแล้ววิจาสงบแล้วถ้าใจกำเนึดถึงว่าเราอยู่ในนี้ที่เดียว ที่อื่นไม่สาคัญแล้วเท่านี้ก็เป็นการทำจิตใจให้สงบไม่เพีนผ่านถ้าไม่เพีนผ่านแล้วมันจะได้ดีขึ้นมาหลายอย่างจะได้ดีขึ้นมาหลายอย่างความรู้สึกมั่นคงในใจมีความเชื่อมั่นในใจมีความไม่ลังเลมีความไม่เดือดร้อนไม่กระสับกระส่ายนี่เรานี้จะปรากฏขึ้นมาก่อน รู้สึกว่าใจิตใจนิ่งสบายจะมีความสบายมีความรู้สึกว่าดีสงบทีร่มเย็นดีเกิดขึ้นมาก่อนเมื่อความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาในใจก็จะมีความรู้สึกว่าเรากาหนดนิ่งระงับไห้อย่างนี้แหละเป็นเรื่องที่ดีที่สุดแล้ว มันจะทำได้ระยะหนึ่งก็ว่าดีระยะหนึ่งถ้าทำได้ยาวๆก็ย่อมดีขึ้นมีความร่มเย็นมากขึ้นยืนยาวขึ้นแล้วก็ดีขึ้นถ้าจิตสงบลงถึงที่สุดได้ดนั้นเราเรียกว่าพ้นจากอารมณ์ทั้งหลายทีแรกที่ว่ารู้สึกว่าดีนะ่ะยังไม่พ้นจากอารมณ์ทั้งหมดแต่อารมณ์มันน้อยลงคล้ายๆกับ เราอยู่ตามธรรมดานี่ยนะโดนก้อนอิด ก, ก้อนหินมากระทบทางใต้ไปทางขวามัง่งตุกตุกจับตับอยูกระเด็นไปทางนน้นกระเด็นไปทางนี้เนะน่ะบัดนี้ไอ้ก้อนเหล่านั้นที่มันมาโดนเน่ยมันน้อยลงนานๆถึงจะตุกตะกี้นานๆถึงจะจับตะกีก้พรู้สึกพอสบายขึ้นทีนี้ถ้าเผื่อเรากําหนดจิตให้มีอยู่อารมณ์เดียว มันก็เป็นฝึกหน้าเดียวไม่มีหลายคิดหลายทางเหมือนแต่ก่อนอารมณ์เดียวทีนี้ถ้าเผื่ออารมณ์เดียวนั้นก็หลบมันียได้วางมันจะได้ก็คืออารมณ์หมดถ้าฝึกหมดป้อนอิกปัอนหินไม่มีประดนอันนี้ยอมได้รับความล่มเย็นความสงบไม่โดนทุกโดนของจากคิดทั้งปวง นั่นล่ะจิตใจมันจะลงถูงความสงบมันจะรู้สึกสบายรู้สึกสบายรู้สึกไม่เคยมีไม่เคยเป็นมาก่อนผู้จิตจิตลงถึงความสงบได้ถึงจิตเป็นอุปจารสมาธิเป็นอัปปนาสมาธิได้จะรู้สึกทีเดียวว่าสิ่งอย่างนี้อาการอย่างนี้ความรู้สึกอย่างนี้ไม่เคยมีแก่เราเกิดความชอบใจทุกคนนั่นแหละจะรู้สึกชอบใจ แล้วมีความมั่นออกมั่นใจว่าเรามีดีดแอบอยู่ในนี้ซ่อนอยู่ในนี้ความมั่นออกมั่นใจจะเกิดมีขึ้นว่าเรามีดีอยู่ดังนั้นผู้ที่ภาวนาจนจิตสงบในจิตรวมได้จึงมักจะเป็นผู้ที่มีความมั่นคง ม, มีความเชื่อมั่นในจิตในใจเชื่อว่าถึงจะภาวนาคราวไหนยังไม่เป็น แต่มันก็ย่อมมีย่อมเป็นแน่ๆเพราะเราเคยสัมผัสเราที่คิดว่ามีความสุขในเรื่องต่างๆที่ผ่านมาทั้งหมดจนกระทั่งปัจนนี้บัดนี้จนกระทั่งบัดนี้ที่ว่ามีความสุขนักหนามีความเพลิดเพลินนักหนานั่นแหะเทียบไม่ได้เลยเทียบกับความสุขเกือจากความสงบอันนี้ไม่ได้เลย ดังนั้ น, นความสงบนี่มีความจําเป็นสะก่อนแล้วมันเป็นความดีเราจะได้รับผลคือความร่มเย็นมีประการหนึ่งสะก่อนซึ่งเป็นสิ่งที่หาไม่ได้ที่อื่นซื้อหาก็ไม่ได้แลกเปลี่ยนก็ไม่ได้ทํายังไงวิธีอื่นไม่ได้เท่านั้นทําได้โด้วยตนเองทําได้ด้วยจิตของตนเอ ง, อ, ง, เ อ, งอันนี้ก็จะได้รับผลขึ้นมาแล้วผลที่จะได้รับต่อไปนั่นฝึกความเป็นอิสระภาพ เราเป็นอิสระจากมะลุมมะตุ้มจากอารมณ์ต่างๆที่มาในจิตต่างๆทั้งต้าทั้งขวาทั้งหน้าทั้งหลังทั้งบนทั้งล่างกระทบอยู่จ้วนเทยตลอดเวลาเมื่อสงบแล้วได้รับอิสระอิสระพาพจากสิ่งที่มากระทบกระเทือนต่างๆนั้นดีขึ้นแล้วทีนี้ถัดต่อไปเราพิจรารณาเอาจิตพิจารณาสิ่งต่างๆ ท่านบอกว่ามิจนาจริงต่างๆให้เห็นตามความเป็นจริงของมันจริงจงมันหกนักมีอยู่ในโลกมีทั่วไปหมดแล้วมันมาเกี่ยวมาคล้องกับเราเนี่ยเกี่ยวข้องทางตา ท, ทางหูจมูกเลยนกายใจมันมาเกี่ยวข้องอู้ทุกๆขณะทุกๆุกกนาทีวินาทีแต่เราไม่สามารถจะไปรู้เรื่องราวของมันได้ชัดเจนตั้งแต่ต้นถึงปลายสุดไม่เคยรู้จัก รู้ก็รู้ไปถึงแค่ว่ารักแค่ว่าชังรู้ถึงแค่ว่าทูกว่าคิดว่าดีว่าชั่วว่าเกลียดว่าโกรธรู้เท่านั้นแหละไม่รู้ไปถึงที่สุดถ้าจิตสงบแล้วจึงจะรู้ว่าที่เราเกลียดเราโกรธเราเดือดร้อนนั้นมันเกิดขึ้นเนื่องจากความไม่ประสีภาษาของจิตความไม่ประสีภาษาของจิตเอง ที่เรานึกว่าอารมณ์ต่างๆมันมากระทบกระเจอนสี่ต่างๆมันมาเดือดมาร้อนมาขัดมาต้องในใจิตในใจนั่นนะที่เราคิดอย่างนั้นแท้ที่จริงและวเป็นความคิดที่ไม่ถูกความจริงแล้วจิตใจของเราเนี่ยเป็นจิตใจที่ไม่ฉลาดก็เลยนึกว่าเขามาตีเอานึกว่าเขามาุบเอามาของเอามาจึงได้รับความเจ็บความปวดความเดือดความร้อน พักจิตสงบแล้วพิจารณาเห็นสิงต่างๆตามความเป็นจริงของมันแต่ก่อนมันเป็นจิตที่ที่ชอบชอบไปตูตูอย่างนั้นดูอย่างนี้เอามาเป็นเรื่องตามความปรารถนาข้างตนเมื่อไปได้โปกระจอลงงแย่เดือดร้อนรุ่นวายกระตับกระายแต่ถ้าพิจารณาแล้วเรื่องต่างๆเหล่านั้นมันเป็นอย่างนั้น ถึงเราจะไปเกี่ยวข้องมันมันก็ยังเป็นอย่างนั้นไม่ไปเกี่ยวข้องมันมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นคือมันเป็นเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องอะไรของเราเลยแต่ก่อนเราเอาเป็นเรื่องของเราจังหากเราที่เราจะเดือดอร้อนให้จิต yogurt, มองเห็นอย่างนั้นพิจรารณาเห็นอย่างนั้นได้เมื่อไรอันนั้นแหละแปลว่าเห็นตามความเป็นจริงนีจิตจะเห็นตามความเป็นจริงจิตก็จ ะ, จ, ะจะต้องสงบ จะต้องสงบจากความปัน่นป่วนต่างๆในทีงจะเห็นทั้งๆที่สิ่ ง, งต่างๆก็ทนโขอยู่นั่นแหละแต่ก็ไม่เห็นเนื่องจากตัวเองไม่สงบนะถ้าจิตสงบแล้วนอกจากจะร่มเย็นแล้วยังเห็นสิ่ ง, งต่างๆตามความเป็นจริงจะเห็นว่าเออเท่าที่เราทุกข์นั้นเพราะว่าเราแต่เองแต่ตายเองหาเรื่องหาราวมาคุ้มหัวตัวเอง หาเอาไปก็มาเผาตัวเองหาเอาความโกรก็มาเผาตัวเองเอาความโลภความหลงเอาอะไรสารพัดเอารักเอารังนั่นมาโผมในตัวเองแท้ๆจะมันมันจะมองเห็นความจริงเป็นอย่างนั้นเมื่อเห็นเป็นอย่างนั้นแล้วจะรู้สึกละอายเสียใจว่าโอ้แต่ก่อนนี้เราขี้ข่อแท้ๆ จะไปเอาเรื่องเอาราวเอาเหตเอาการาต่างทั้งในั้นไม่ใช่เรื่องอะไรของคนเลยอต่อไปนี้ไม่เอาแล้วปล่อยแล้ววางแล้วนั่นละ่ะจิตเป็นอิสระภาพอย่างแท้จริงเพราะเมื่อจิตปล่อยจิตวางการปล่อยการวางจากความยึดมั่นถือมั่นนั่นละ่ะคือจุดประสงค์อันที่สุดที่เราฝึกจิตฝึกใจเนีย เราพ้นจากความกระตับกระสายเนื่องจากอารมณ์ต่างๆนั่นเราไปได้รับความสบายแต่เมื่อเราพ้นจากความปูกระดับปูกระร้ากระดึงความปูความชักจากเส้นใยสายใยต่างๆอันนั่นคือความเป็นอิสระจากความผูพันทั้งปวงอันนั่นจะได้รับความสงบความร่มเย็นความเบิกบานความเป็นอิสระภาพที่หาไม่ได้ที่ไหนในโลก นที่ไหนอื่นทั้งหมดจะหาได้ในจิตในใจนี้และเป็นอิสรภาพสูงสุดจากนั้นก็หมดภาระแล้วหมดภาระที่จะต้องไปเที่ยวเวียนเวียนไปเพื่อความจะเอาอนั้นเอานี้นเอาจีิต่ า, า, า, างๆหมดจากธุระภาระต่างๆที่จะต้องไปเกี่ยวไปคล้องไปเอาเป็นเอาตายกับเรื่องอะไรทั้งหมด ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติก็ยังคงเป็นไปตามธรรมชาติอย่างนั้นแต่ไม่ทุกข์อีกแล้วไม่เดือดร้อนอีกแล้วความเป็นไปตามธรรมชาติเป็นไปตามธรรมดาของสิ่งทั้งหลายจะได้รับความบริสุทธิ์จะได้รับความปลอดภัยปลอดภัยจากความรักปลอดภัยจากความโกรธปลอดภัยจากความเกลียดปลอดภัยจากความังปลอดภัยจากความกระจัดกระายความหวาดความหวังความวทั้งหมด ตอนนี้เราฟังเทศของหลวงปูอนั่งภาวนา